เพราะความเจริญในธรรมจมะงมีเดชท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวงประพุทธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวยยมะในช่วงของภาวนาประธานโดยยกตัวอย่างการเจริญบารมีธรรมตามเสด็จร อ, อยุคนบาทของพระพุทธเจ้ามาถึงหัวข้อประเด็นของศีลคือศีลนั้นได้แก่ เจตนาวิรักหมดเว้นคือสํารวมระวังไม่ลวงลอเมิดซึ่งกล่าวไว้ในตอนต้นว่าการได้เกิดสีนนั้นม่น่า จ, จะเกิดจากปโนธรรมคือมีเหตุกระตุ้นเนี่ยละเราเมื่อสินแล้วก็สํารวมระวังหมดเว้นเอาเองเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรที่จะทําเช่นนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องของศาสนาพิธทีที่มีการสมาทาน ซึ่งก็มักจะนัดเนดนั่งเน้นเน้นหนักไปในทางรูปแบบปิสาสนพิธีมากกว่าไม่เคยได้เล่นการจริ้มจังกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการสมาทานศีลภายในวัดในวันธรรมสวรรน์ดิรุสุกโกจิ้มจัง น, นแล้วก็เกิดสมนึกมองเห็นโทษในเรื่องเหล่านั้นชัดเจนงดเว้นอย่างเด็ดขาดก็จัดว่า สมุดเฉดทวิรัตคืองดเว้นแบบเด็ดขาดทีนี้ศีนเนี่ยเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยเกาขจัดความมืดปนศีนพอเขาเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันคุ้มครองใจรักษาใจที่สำรวมระวังงดเว้นไม่ลวงละเมิดแล้วควบคุมใจให้อยู่ในปกติภาพปกติสุขก็ขจะทำหน้าที่ขจัด ความทุศีนออกไปได้คำว่าทุศีนก็คือศีนชั่วหรือศีลไม่ดีก็หมายความว่ารักษาศีนไม่บริสุทธิ์แต่บางทีก็ไม่รักษานะครับคือทุศีนเนี้ยมันก็คือไม่มีศีนนั่นเองหรืออาจจะรักษาก็รักษาไม่ค่อยจะเปรนนิดเท่าไหร่วันพรุ่งนี้จะขจัด เจนวาโราสมาทานสีหน้านั้นจะขจัดการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการดื่มสิ่งเสพติดเกื่อเสพสิ่งเสพติดวันี้ตัวสิ่งเสพติดที่จริงมันออกมาในรูปเสพสูบตลอดถึงดื่มแล้วก็ฉีดฉีดด้วยนะฮะเป็นสิ่งเสพติดวันนี้มันเข้ามาเยอะ นก็เป็นปัญหาทาวรของโลกมนุษย์มันเป็นไปตามกรรมของเขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วก็หรือมีคุณไม่มีโทษเป็นรถที่เราสัมผัสได้คือคุณก็สีเนี่ยมันเป็นคุณระดับสงบระงับเวรภัยสงบอันตรายลองสังเกตว่า ปัญหาในบ้านในเมืองเราหรือแม้ว่าปัญหาของโลกเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็โดยการกระทำของมนุษย์เองคราวๆที่สื่อนำเสนอทางโทรทัศน์ก็ดีทางวิยกกทยุก็ดีทางสือพิมพ์ก็ดีมันจะเสนอข่าวในทางไม่ดี พฤติกรรมในทางไม่ดีคือบางทีมันไปสะท้อนพฤติกรรมของผู้เสนอด้วยผู้เสน อ, สนอก็มีปัญหาอย่างในช่วงที่มีข่าวคราวเสนอเรื่องอะไรคดีสุก ข, ขุ้นของกันนายกเนี่ยคือไม่ได้พยายามปล่อยให้เป็นเรื่องของตุลาการรัฐมนูลท่านท่านจะทำอย่างไงนะั้นมันเป็นเรื่องของท่านแล้วก็มีการชี้นําบอยมาตลอดระยะนี้เลย คือไม่รู้เหมือนกับตัวเองเป็นสารตัวเองที่จึงเขาก็มึงเรียบเรียงถอย้ถอยคําอยู่ข้อความอยู่แล้วถ้อยคํำตัวนั้นก็เรียบเรียงแล้วก็ต้องแก้ไขประปรุเปลี่ยนแปลงให้เป็นภาษาของกฎหมายแล้วยังไปโหวตกันอีกะอะไรต่อะมันอีกตั้งเยอะนะขั้นตอนเนี่ยพูดง่ายๆว่าขั้นตอนของคนอื่นอ่ะแล้วจริงแค่ยังไงก็คือท่านเหล่านั้นน่ะ เราไม่สามารถจะไปล่วงรู้ลึกซึ้งได้ขนาดนั้นส่วนหมอที่ทํานายก็ดีไปนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทํานายแต่การที่จะไปบอกรายงานเป็นตุเป็นตะขึ้นมาแม้แต่ต่างประเทศก็ไปรายงานเนี่ยคือข้อที่ไม่ควรลืมนะว่าในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่เกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีของเรา จะช่วยดีทีห่างยังไงก็ไม่รู้แหละเราก็ต้องช่วยกันรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองถ้าวิผิดศรัทธามันเกิดขึ้นกันนาะยกรัฐมนตรีและวบ้านเมืองมันไปไม่รอดหรอกรัฐบาลก็ไม่สามารถจะบริหาร ร, หา ร, ราชการให้เป็นไปตามนโยบายตามแผนที่ตั้งไว้ได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นผลกระทบมันก็คือเรา คนราษฎรเนี่ยก็กระทบ้ดยการมักบางน้อยบางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกียรติภูมิของความเป็นชาติบ้านเมืองคือเราจะต้องต้องต้องงงจริงๆนะฮะมันไม่ใช่เรื่องขอรับชันไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรอย่างที่ฟิลิปปินส์หรืออย่างที่อินโดนีเซียแต่นี่มันเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะนักการเมืองเท่านั้นเอง จิตใจของคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มองเทียบเคียงนะฮะก็ไม่ได้มองเทียบเคียงมองด้วยความเข้าใจคือมองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ที่เราพูดตัณฑ์ตาวิสัยเพราะว่าพิสัยเนี่ยพอสิ่งเหล่านั้นเป็นไงแล้วก็มองจากสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะมองจากความรู้สึกนึกคิดของเราเวลาที่มีปัญหามากก็คือเราใช้อารมณ์ของเราเองใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเองแล้วก็ตัดสิน ชี้นําไปจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ก็ชี้ไปโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงผลกระทบเพราะงั้นคือบางทีเนี่ยเขาเสนอความทุศีนของคนอื่นแต่ตัวเองก็ทุศีนด้วยนะครับตกมงว่าเป็นข่าวของข่าวที่ทุศีนหมายความพูดเสนอข่าวก็ทุศีนคนที่ประพฤติผิด ก, ก็กระทุศีนซึ่งต่าหากว่าให้เกิดเป็นข่าวที่ถูกต้องนะ คือเสนอตามความเป็นจริงงั้งการเสนอข่าวที่จริงมันจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากง่ายก็คืออะไรง่ายเหมือนการรายงานลักษณะภูมิอากาศ ร, รายงานตามกาลเทศะนั่นนะฮะว่าในสถานที่นั้นเวลานั้นอุณหภูมิเท่านั้นฝนตกแดดออกอะไรอะไรก็ว่ากันไป มันเป็นความถูกต้องที่รายงานตามที่มันเป็นจริงแต่เมื่ออุณหภูมิมันลดมันเพิ่มกว่ากันไปอีกอีกที่หนึ่งเตลกาลัมันเปลี่ยนแล้วนะเราจะเห็นว่าเทสะเดิมคือสถานที่เดิมเนี่ยเตลกาลัมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของความถูกต้องปัญหาว่าเวลานี่เราแม้แต่หนังสือหนังสนอเนี่ยเราก็ไม่นแน่ใจวสาวาดหรือเปล่า อ่านไปแล้วอ่านข้อความไปแล้วยังบทความในหน้านังสือพิมพ์เนี่ยคือเค ย, เค ย, เ, คยเคยสังเกตนะฮะถ้าเป็นบทความที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการไม่เอาตัว ต, วตวนบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่พอเอาคนก็ไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการศาสนาอะไ ร, ต, รต่างๆแล้วก็มีตัว ต, วตวนบุคคลมีองค์กรมีสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย มันจะมีความรู้สึกรักชังไปปะปนอยู่ในตรงนั้นค่ามักออกมาในรูปของอคติแล้วก็ทาให้คนรับฟังข่าวเนี่ยคือเราเองก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อต่อผู้ผู้รับฟังข่าวเพราะว่าเขาซื้อข่าวของเราโดยเข้าใจว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่เสร็จแล้วเราก็ขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้ราคาแดบาทเท่าเดิมนะไม่ไม่ได้ลดนะ ไม่ได้ลดอะไรให้เลยนี่คือคือคือเราอยู่ในแวดวงของการละเมิดสีนเห็นไหมที่จริงถ้าเราเสนอเฉพาะข่าวผิดสีลแต่ว่าข่าวที่นำมาเสนอนั้นไม่ทุสีนสังคมก็ได้รับรู้ตัวสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงสภาพของปัญหาที่แท้จริงว่าอะไรเป็นอะไรมาจากไหนจะแก้ไขยังไงแก้ไขโดยวิธีใด แต่สิ่งดีงานต่างๆที่เราต้องการมันก็จะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองได้รานการของศีล น, นี่คือความสะอาดแต่บางครั้งกานใช้ความสงบนะคือสงบก็สะอาดก็คือการนั้นแต่สะอาดเนี่ยเรามักจะมองไปในเชิงที่เป็นรูปธรรมแต่บางทีมันก็เข้าถึงใจนะฮะจิตใจก็สะอาด มันสะท้อนจากการกระทำของเขาแล้วก็ทมให้เราไปคิดว่าเขาเนี่ยมีจิตใจสะอาดเพราะสาดก็คือแสดงออกมาทางกายกระทางวาจาบางทีท่านบอสันตากายโยสันตวาโจากายสงบวาจาสงบคำว่าสงบเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่พูดแต่หมายถึงพูดไปโดยเหตุผลไม่ได้พูดไปตามอารมณ์ เราพเรื่องราวต่างๆแล้วเราลองสังเกตดูให้ดีนะะมันเป็นการพูดโดยความรักความชังนเยอะแล้วความไม่รู้ก็เยอะไอ้คนโง่ขยันนี่มันเยอะจังคือทมให้เรื่องที่มันมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอ่ะมันเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วบางครัง้งบางคราวเนี่ยเราก็อ่อนไหวไปกับกระแสจมนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาตรวจสอบให้ดี ยังข่าวคราวเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเนี่ยการเรื่องศาสนาที่จริงเป็นเรื่องลึกซึง้งนะฮะไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอกแล้วก็ไม่ค่อยสลับซับซ้อนไม่มีเลข อ, อะไรแต่การเมืองเนี่ยมันเรื่องลึกลับแล้วก็ลึ ก, ลกซึ้งด้วยแล้วก็ลึกลับด้วยแล้วก็มีเลขอะทศต่างๆอีกเป็นนั้นมากการรับฟังววข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ย เป็นสำนวนทางศาสนาท่านใช้คำคำหนึ่งแต่ว่าค่อนข้างสูงนะฮะคือใช้คำวิยะถาป ah ุตตยาทัศนะคือเป็นความรู้เห็นดับความเป็นจริงหมายความว่าข้อเท็จจริงในเรื่องเหล่านั้นเป็นยังไงเนี่ยถ้ารู้เห็นอย่างนี้จะแดงก็แดงขาวกขาว็ขาวเขียวก็เขียวเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อนแล้วก็ไม่พูดให้เกิดเหตุไปหรือว่า กรดเกลือเนี่ยมันน้อยลงหรือขยาย ใ, ให้มันเพิ่มขึ้นที่ท่านเรียกว่าอํำความเสริมความเนี่ยและตัวการใหญ่จริงๆก็คือฮิริโอตปะจึงถือว่าถ้าใจมีฮิริโอตปะนะไม่ต้องนับสีนะฮะข้อนี้ไม่ต้องนับเลยอีกกี่ร้อยข้อก็ได้นะเราเป็นอันรักษาสีไปแล้วในตัวเพราะแนวการปลูกฝังสร้างลักษณะนิสัยของคนเนี่ยนะ เคราะฉะนนว่าแนวหลักที่ปู่ย่าตายายท่านสร้างไสร้างสํนนิษสร้างจิตสันนึกฐนก่อนในฐานนักเรียนม4ถึงม6นะฮะถามนักเรียนเนะคยอ่านสุภาษิตสอนหญิงมสุนทรนผู้ไหมไม่น่าเชื่อนะฮะเด็กเนต็ตคนนี้ไม่เคยได้ยินเลยก็ว่าไปฟังตอนหนึ่ง บอกว่าผู้ใดเกิดเป็นตุตรีนินสักบัรุงรักษากายให้เป็นผลสมวุนงามตามระเบียบเป็ชอบคนจึงจะพ้นภัยผ่านการดิมทาเป็นสาวแท่แรกรวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีมีคาแม่นแตกร่ารันรอยถอยราคาจะพลอยพาหอนหอม ห, อหายจากกายนานตัวต่ำเลยจะทําให้กายสูงอยู่เรื่องลุงยังมีแวลที่วงหางอะไรเป็นต้นนี่ยค <ST. S 2> ือเห็นว่าตัวเนี้ยที่จริงถ้ากุลสตรีนิสัมนึก ความเป็นกุณศตรีแบบไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจเป็นหลักใจมันก็มีให้พบให้เห็นอยู่ในที่ต่างๆได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความไม่มีนะะเพียงแต่ว่ามีน้อยไปหน่อยแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวเมื่อก่อนถามนักเรียนเรื่องพระเจ้าตากสินตีเมืองจันนะฮะกับระนเรศวนทํายุต ก, การทีเด็กมงหนึ่งนะไม่รู้ เลยครูน่ะกิจก้มถามครูเอ๊ะาไม่สอนเด็กเหรอเขาบอกเขายกเลิกไปยังสงสัยว่าพวกนี้ปฏิรูปการศึกษาจนเป็นปฏิกูลไปแล้วรด้ออยังไงมันเป็นเรื่องแปลกนะคือไทยไม่มีสำนึกไทยแล้วไม่ยึดโยงอยู่กับบุปการีบุคคลทั้งหลายนี่ซึ่งตามปกติแล้วถ้าเราไปมองเด็กๆนะมองเด็กๆเด็ ก, ดกวัยรุนนะ่น แต่มามากักจะเน้นไปแถวซื่อสั ต, ตย์กตัญญูรู้หน้าที่พลเมืองดีรักชาติศาสนาเนี่ยแต่ว่าพลเมืองดีรักชาติศาสนาเราไม่พูดมันเป็นเป้าเฉยๆแต่เราจะปลูกฝังเรื่องซื่อสั ต, ตย์กตัญญูรู้หน้าที่ทีนี้ถ้ า, ถาตรงนี้แล้วมันเลิกพูดเรื่องสีละมันเป็นสำนึกที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นงานมาแล้วได้ไปพบคากรอนบทหนึง่ง สมัยเป็นเด็กนะฮะแต่ว่าเราก็ผ่านชีวิตเป็นหนุ่มมาก่อนจะบวชบอกรอนบวชก็เลือกทางแล้วนะบวชก็อายุปีที่ยี่สิบเอ็ดแล้วแต่เราก็ดําเนินชีวิตไปตามหลักตรงนั้นคือมันซึ้งที่มันซึ้งแปลกก็คือว่าอ่านครั้งเดียวก็จได้แต่พอเพิ่งรู้ว่ามันมันมันที่เราจาได้มันเป็นตอนกลาง คืสมัยนั้นนายยก็สิบกว่าปีนะฮะแต่มาอ่านแล้วมันซึ้งฮะท่านบอกว่าหญิงจะ ง, งามก็เพราะความบริสุทธิ์เพศบุรุษจงรักศักดิ์สนวนแม้เกิดการเกินเลยเชิงเฉยชวนหญิงเสียนวนชายเสียนามไปตามกันแต่เมื่อเอาคนข่าเข้ามาเทียบหญิงเสียเปรียบก็เพราะหญิงหมดเปิ้งขันชายที่ดีควรจะมีคณนณาทันถนอมขวัญสตรีไว้เสีเอย่ยแล้วพอเราสังเกตฮะถ้าสำนึกอย่างนี้ยเราจะมีคุณลบุ โดยจะมีคุลบุตรคุณลธิดาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ก็รักษาหนุนสมวนตัวในแนวความคิดแบบพรุมจเรีสมัยก่อนเนี่ยจนเวลานี้จะตัวเลขต่างๆแล้วฟังแล้วก็สยองนะฮะแต่ก็ไม่เคยเชื่ออะไรก็เท่าไรเราก็ไม่ให้ถึงว่าโลกมันจะเร็ว้ายอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าเร็วได้ขนาดนั้นก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอ่ะเป็นกรรมของสัตว์ แต่ต้องการเห็นว่าวิธีตรงนี้ฮิริโอตะตะเนี่ยที่จริงมันเป็นมโนธรรมคือถ้าเรามีมโนธรรมอยู่ภายในใจแล้วนี่ศีลกี่ข้อก็ช่างเถอะมันไม่ได้แปลกอะไรอ่ะเพราะศีลมันยิ่งมากเนี่ยคือคนยิ่งยุ่งเนี่ยศีลยิ่งมากก็ เ, เรียกว่าสำนวนบาลีเรียกอาสวัตฐานียธรรมอาสวัตฐานียธรรมเนี่ยคือคนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้น มันจะเกิดขัดแย้งกันในผลประโยชน์เพราะต่างคนต่างโลกต่างคนต่างหลงแล้วก็เมื่อไม่พอใจก็จะโกรธาะการมองเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทัานมองจากฐานทั้งใหญ่วินัยที่บัญญัติในพระพุทธศาสนาคือถ้าลองสันนิฐานนะนะยางนึกว่าปีที่เจ็ดที่แปดจะเริ่มบัญญัติพระวินัย แต่ว่าจะบัญยัติข้อไหนก่อนคงไม่ใช่ปฐมประปราชิกก่อนอะนะฮะคือดูแล้วเนี่ยมันมันบัญยัติไปตามสถานการณ์แต่ว่าในการบัญยัตินั่นเองอะ่ะถ้าใจของพระเราจะเห็นว่าพระอริยะบุคคลในชั้นชั้นแรกแรกเนี่ยจะ แ, แต่ปีแรกเนี่ยไม่มีศีลเลยอะ่ะไม่มีบัญญัติศีลแม้แตะข้อเลยเนะี่ยคือใจ่ันเลยศีลไปหมดแล้วอะ่ะ ความคิดการกระทําการพูดของท่านมันอยู่ในวิถีของธรรมะล้วนๆเป็นการขับเคลื่อนธรรมะไปนะพูดก็เป็นธรรมะยุติโดยธรรมะคิดก็ยุติโดยธรรมะทำก็ยุติโดยธรรมะมันก็ชี้นไม่จําเป็นอะไรมันเลือดมันเหมือนกับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องผูกนั่งร้านแต่วบ้านบางทีก็ต้องผูกนั่งร้านไปซ่อมนะฮะซ่อมแซม แต่ว่าจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปเนะี่ยตอนถ้าเราพูดรวมรวมว่าศีลสมมติว่าศีลพระสองรอยเจ็ดข้อเนะี่ยพระมีทีอุตปะเป็นเรือนใจซะอย่างเดียวจบไม่ต้องไป น, นับพ่อมาบัญญัติว่ายัางไงก็เราปฏิบัติไปเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าธรรมมันจะเหนือศีลมากแล้วก็ธรรมมันอยู่ภายในใจมนุษย์แล้วนะเพียงแต่เราดึงขึ้นมาได้หรือไม่นั่นเอง เราจึงพบหลวงพ่อหลวงปู่บางองค์เนี่ยหนังสือถนานไม่ออกจนทุกวันเนี่ยยังอ่านไม่ออกแต่เวลาอธิบายธรรมานีิหมามันหยดย้อยมากเลยแล้วเราเห็นว่าถ้าท่านอธิบายจากใจคือเป็นภาษาใจของท่านมันไม่ใช่เป็นภาษาที่หนังสือเขาเรียบเรียงคิดแต่ว่าภาษาใจเนี่ยมันก็กลายเป็นภาษาธรรมคือไปตรงกับธรรมะเหล่านั้นแต่ถ้าท่านจะผิดก็ผิดที่บัญญตัต คือคำนั้นเด็กอย่างนั้นอันนั้นเด็กอย่างนั้นนี่เด็กอย่างนี้เนี่ยท่านอาจจะผิดที่บัญญัติเพราะท่านไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงแต่ตัวเขาเรียกว่าลักษณะเนี่ยท่านรู้เช็นลักษณะของสีเนี่ถึงหมดเป็นเนี่ยท่านรู้ลักษณะของศรัทธาของแพร่ในท่านรู้แต่ลักษณะของท่านอย่างเงี้ยบางทีท่านอาจจะเรียกชื่ออย่าง อ, างอื่นเพราะว่าท่านท่านไม่ได้อ่านมาเป็นส่วนน้อยน ะ, ะที่ที่ที่เป็นอย่างนั้น่ะ เพาะฉ น, นฮิริโอตะปะเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะก่อให้เกิดศีลขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเขาเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเหตุใกล้ชิดจะเกิดเรื่องมือไปจนหยิกในฮิริมันเกิดหยุ ด, ดกยุดมือไว้ได้เพราะแนวแนวของการปฏิบัติถ้าเรามองแนวศีลเนี่ยเราเห็นว่าการปฏิบัติศีลเนี่ยจริงๆมันคือคุมจินแบบ ว, วฮิริโอตะปะมันเกิดทันไหมล่ะถ้าเกิดทันเนี่ยมันหยุดได้ หากเราพูดถึงสินขาดสินดารุสินด่างสินพ้อยเนี่ยมหาพรามองค์ก็สินไม่สมบูรณ์เพราะว่าท่านหยุดความคิดของท่านได้เช่นเนื้อมือจะตกยุงยุงกัดเนื้อมือจะตกแล้วก็ยั้งมือไม่ตกหรือว่ตกก็แก้งตกไปพลาดแท้ถามว่าสินขาดไหมมันก็ไม่ขาดหรอกแต่ว่าถือว่าสินด่างสินพลอยไปท่า น, นั้นเอง นั่นก็แสดงว่าที่มันมันหยุดตัวเองได้ก็คือฮีโอตปะก็เกิดเกิดคุ้มครองใจเกิดรักษาใจเอาไว้ได้แต่ว่าฮีโอตปะเนี่ยมันมันต้องใ ส, ส่สานึกอะไรองค์ประกอบเยอะนะฮะคือปัญหาสำคัญว่าเงินเราต้องมีเชื้อสายส ก, กุลไม่ใช่รวยนะฮะแต่ว่าเป็นคนดี มนจําเป็นเรต้อเงเน้นที่รวยเพราะเราจะเห็นว่าคนที่วรวยบางีก็ขาดํานึกเลยอันนี้มันก็ตรง ก, กับหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนชั่วก็ไม่ใช่เพราะชาติะ ก, กุลเป็นคนดีก็ไม่ใช่เระชาติส ก, กุลแต่คนชั่วประการกระทําเป็นคนดีก็ประการกระทําเพันะ ก, กูลเนี่ยมันเป็นตัวเสริมถ้าสกุลสมาธิถินี่จะเสริมอบรมสั่งสอนลูกหลานเขา ม, มีพื้นฐานของฮิริโอตปะแม้แต่เราสังเกตสังเกตเด็กๆนะครับทุกคนเด็กสามขวบสี่ขวบเนียบางคนนั่งเรียบร้อยนะนั่นแสดงว่าฮิริโอตปะเขามีอยู่ลึกๆมโนธรรมเขาเนี่ยความสำนึกก็สูงมากบางคนนั่งไม่เรียบร้อยเลยพ่อแม่ต้องคอยตะครุบเลยนั่นคือคือคือสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายในใจอยู่เลย คือถ้าเรามองดูให้ดีธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรอะ่ะบารมีเนีะฮะบารมีเนี่ ย, ยคือคือสิ่งที่สะสมมาไว้มาถามอาิ้นัสติกก็ดีบาเล่ ก, ก็ดีอะไรต่รตางๆซึ่งเป็นกีฬาของรัสเซียของตะวันตกเขาเนี่ยทำไมเอเชียเล่นไม่ได้ดีอะ่ะแต่มวยไทยทําไมทำไมเอเชียต่อยได้ดีล่ะนั่นคือเราจะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ในจิตวิญญาณในสายเลือดเนี่ยคือมีเชื้ออยู่ เชื่อดีนี่อยู่แล้วก็การศึกษาชิมุ่งฝึกบืออบรมปฏิบัติพัฒนาและนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการสาคัญที่ทำให้ได้คิดฉุกคิดยั่งคิดแล้วก็ควบคุมจิตใจตัวเองเอาไว้อายุสูงขึ้นอายุบางทีก็ยังว่าแหละสูงไม่ต้องมากอะไรก็ได้บางทีสูงมากก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าคนนี่มันเหมือนกสะพานโค้ง คือคนแก่กับเด็กนี่ชอบทําอะไรตามอารมณ์คนแก่นะถือว่าชั้นใหญ่นะฮะจั้แน่ซะอย่างเด็กเนี่ยคือไม่เป็นสีภาษาให้เราสัง เ, เกตฮนะคนใหญ่ๆบางทีเนี่ยนัดหมายอะไรไม่รับพิบเท่าไปลงเวลามาเนี่ยจะนึกจะมาเมื่อไรมาเรื่องมันช้างก็ชั้นนีก็ใหญ่ซะอย่างแค่จะทําอะไรช่นนะนเป็นเป็นเรื่องแปลกนะที่จริงเนี่ยคนผู้ใหญ่มันน่าจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในก่นคนอื่นแต่เพราะว่า บางทีก็อนิยามไม่ได้นั่นก็ไ ม, มายความว่าท่านก็ขาดสํานึกท่านขาดความละอายเกียจใจท่านนัดหมายกับเขาไว้เวลาเท่านั้นแต่นั้นแด้ท่า น, นไม่มาตามเวลาหมายความม่าอย่างไงทีนี้ยีประการหนึ่งความเข้มแข็งในด้านจิตจิตต้องไม่อ่อนแอนะเพราะว่ากิเลสมันโยกคลอนมันด้วยยุบมันด้วยดวนมันดุแยมันโอสารพัดแต่เป็นผู้กระซิบใจ ถ้ากระซิบแล้วเราไม่อ่อนไหวเราก็เอาชนะได้แต่ถ้ามันกระซิปแล้วเกิดอ่อนไหวก็มีปัญหาดังนั้นศีลจึงมีฮิริโอตปะเนี่ยเป็นตัวเป็นเหตุใกล้ให้เกิดและแต่ถ้าเรามีฮิริโอตปะเป็นหลักใจเป็นเดินใจไม่ต้องไปดูก็ได้นะศีลบัญญัติไว้ยังไงการดําเนินชีวิตการพูดการทําก็จะเป็นศีลไปเองเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเหนือศีลอยู่แล้วทั้งฟังทงั้งอะไ ใต้ร่มพระธิาในวันนี้ขอยุติไว้ถึงเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุ์ในธรรมจงยู่แ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี